นิทานเรื่องคนกลัวเมียรเรื่องมีอยู่ว่ามีพระราชาองค์หนึ่งค่ะใช้ภาษาชาวบ้านคือมีเมียห้าคนเมียแต่ละคนก็เรียกร้องจะเอาโน่นเอานี่อยู่ตลอดเวลาพระราชาเป็นคนกลัวเมียค่ะไม่มีความสุขเลยก็เลยไปปรึกษาหารือ กับคณะรัฐมนตรีให้ช่วยแนะนำว่าทํายังไงถึงจะเอาชนะเมียได้ทํายังไงถึงจะไม่กลัวเมียค่ะคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้ชายล้วนๆก็บอกว่าเสียใจด้วยครับเพราะเราไม่สามารถที่จะแนะนาได้เพราะพวกเราก็กลัวเมียเหมือนกัน ตอนนี้เขาก็เลยกลุ่มอกกลุ่มใจกันมานั่งคิดว่าเอ๊จะทำยังไงดีก็เลยวางแผนว่าจะต้องหาคนในแผ่นดินของเราที่ไม่กลัวเมียแล้วเราก็จะได้ไปดูว่าเขาเนี่ยมีเคล็ดรับยังไงก็เลยประกาศออกไปให้ประชาชนทั้งหมดที่เป็นผู้ชายเนี่ยมาชุมนุมกัน และในวันที่มาชุมนุมกันก็จะตั้งเต็นสําหรับคนกลัวเมียเนี่ยแยกออกไปและอีกเต็นหนึ่งสําหรับคนไม่กลัวเมียพอถึงวันนัดหมายค่ะมากันเต็มเลยเต็นของคนกลัวเมียก่นล้นออกมาไม่สามารถบรรจุได้พอในขณะที่เต็นของคนไม่กลัวเมียไม่มีใครมาเลย พระราชากกลุ้มใจอะไรกันนี่บ้านเมืองของเราไม่มีคนที่ไม่กลัวเมียบ้างหรือจนกระทั่งนาทีสุดท้ายมีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาที่เต็นท์ของคนไม่กลัวเมียพระราชาก็ดีใจวิ่งไปหาเลยค่ะไหนบอกมาสิว่าเธอมีเคล็ดลับยังไงถึงไม่กลัวเมีย ผู้ชายก็ตอบว่าผมก็กลัวเมียเหมือนกันครับอ้าวแล้วมาอยู่เต้นนี้ได้ยังไงต้องไปอยู่เต้นนู้นสิผมไม่ไปละครับจะลงโทษผมยังไงผมก็ไม่ไปทำไมละ่ะทำไมไม่ยอมไปเพราะเมียผมอ่ะสั่งให้ผมมาอยู่เต้นนี้ครับ ท่านผู้ฟังคะเรานะคะก็คือพระราชากันทุกคนนะคะเมียทั้งห้าก็คือประสาทสัมผัสทั้งห้าอย่างตาเห็นอะไรมันก็เรียกร้องอยากจะได้นอนได้นี่กิเลสมันก็เกิดขึ้นไงคะหูได้ยินเสียงอะไรไพเราะก็อยากจะได้แผ่นเพลง mp 3 อะไรต่ออะไรสารพัดอย่างเพราะฉะนั้นความต้องการเนี่ยมันมากเหลือเกินภาษาสัมผัสก็เรียกร้องจะเอาโน่นเอานี่อยู่ตลอดเวลาและเราก็มัวแต่ไปกลัวมันเรายอมมันทุกอย่างแล้วเรามีความสุขไหมคะเราก็ไม่มีความสุขดังนั้นเราต้องกลับมาเป็น ตัวของเราเองเราจะต้องควบคุมตัวเราไม่ให้เป็นทาสของประสาทสัมผัสทั้งห้าเราต้องเอาชนะมันค่ะ